พิสุผู้มีศีลเป็นที่รักนั้นย่อมสมาทานรักษาศี น, นี้มิให้เหลือเศษ จ, จะได้เห็นแก่ลาบสการะและยศบริวาร น, นั้นก็หาไม่ได้ถึงมาดแมนเสียวงสาคนาญาตจะเสียอวัยวะน้อยใหญ่แม้แต่เสียชีวิตเป็นประการใดพิสุจะได้เสียศีลของท่านนั้นก็หาไม่ได้ศีลแห่งท่านนี้เรียกว่า อปริยันตะปริสุทธิศีลคือศีลบริสุทธิ์ที่หากำหนดมิได้รายการแสงธรรมเพื่อชีวิตขอเสนอพิสุผู้มีศีลเป็นที่รักเพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญผู้ใครในศีล และเป็นแบบอย่างเป็นกำลังใจแก่ผู้รักษาศีลทั้งฝ่ายพิสุและครหัดเรียบเรียงจัดธรรมและบรรยายโดยสนทิชัยทวีโชคทรัพย์สิน ต่อไปนำเสนอเรื่องของพระอัมพขาตกัดมหาติสสะเถระในกาลครั้งหนึ่งท่านพระอัมพขามหาติสสะเถระผู้มีพรรษามากจะริกเดินทางไปในช่วงข้าวยากหมากแพง หนจะลำบากด้วยการเดินทุดงด้วยเท้าแล้วยังต้องมาลำบากด้วยการอดอาหารบางคราวก็ได้อาหารบินทบาดซึ่งก็ไม่มากนักไม่อิ่มแต่พอให้มีเรี่ยวแรงแก้ทุกขเวทนาเท่านั้นบางครั้งบินทบาดก็ไม่ได้อาหารเลยแม้แต่หน่อยหนึ่งท่านพระเถระมีกายอันเหี่ยวแห้งหิวโหยนั่นแหละ ก็ในลำดับนั้นท่านพระเถระได้แลเห็นวัดวัดหนึ่งอยู่ข้างหน้าท่านจึงได้หอบสังขารของท่านค่อยๆเดินพาอัตภาพร่างกายของท่านแล้วจึงเข้าอาศัยแล้วในที่สุดท่านก็ได้หมดเรี่ยวแรงไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงได้พักอยู่ภายใต้ต้นมะม่วงนั้นแหล ก่อที่ต้นมะม่วงนี้เองออกผลมะม่วงเป็นอันมากบ้างยังเขียวอยู่บนต้นบ้างสุกบ้างก็หล่นเกลื่อนกลาดภายใต้ต้นมะม่วงนั้นท่านพระเถระมองดูผลมะม่วงสุกที่หล่นอยู่แล้วจึงได้พิจารณาอยู่ในใจว่าพระบรมศาสดาทรงบัญญัติวินัยสิกขาบทหนึ่งว่าพิสุห้ามฉันอาหารที่เขายังไม่ได้ประเคน ยกเว้นแต่น้ำพิสูดใดฉันอาหารที่ไม่มีผู้ประเคนต้องอาบัตดปาจิตตีแม้ว่าบัดนี้เราจะหิวโหยสู้อดอาหารมาหลายเพลาเกิดทุกขเวทนากะล่านักแม้ว่าเราจะยอมขบฉันแล้วไม่มีผู้ใดเห็นแต่เราเห็นตนเองกระทำผิดธรรมวินัยชื่อว่าเราเป็นผู้ทุศีล เราจะไม่ยอมเสียสีลด้วยการหยิบผลมะม่วงสุกที่พื้นมาขบฉันเราจะอดทนต่อไปบัดนี้ยังไม่ถึงเวลาวิกาลเลยเที่ยงไปบางทีโชคดีอาจจะมีคนเดินผ่านมาแล้วประเคนอาหารแก่เราก็เป็นได้ เวลาผ่านไปทุกขเวทนาความหิวโหวยที่อดอาหารที่มีอยู่มากแล้วนั้นก็ได้แรงกล้ามากยิ่งขึ้นแม้จะเลยเวลาเข้าสู่ยามวิการไปแล้วก็หามีผู้ใดเดินผ่านมาพบท่านพระเถระไม่ท่านพระเถระก็สู้อดกลั้นมิได้ขวนขวายที่จะเก็บผลมะม่วงสุกมาขบฉันความกระวนกระวายแห่งกายและจิตเกิดขึ้นอย่างสุดจะทนไหว แต่แล้วท่านพระอัมภขาเกะมหาติสัทธระท่านพิจารณาเพื่อเตือนตนต่อไปว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงบัญญัติวินัยสิกขาบทว่าพิสุใดเคี้ยวฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวของฉันก็ดีในยามวิการต้องอาบัติาจิตี บัดนี้ถือว่าเป็นเวลายามวิกาแล้วเราพึงได้แต่ฉันน้ำปานะเท่านั้นอ้อแต่เราได้หมดเรี่ยวแรงไม่อาจจะลุกไปไหนได้เพียงแต่เราเอื้อมมือหยิบผลมะม่วงและขบฉันกับการที่เราจะต้องเสียศีลเราพึงรกสสักษาศีลบุคคลผู้เป็นสัตว์ปรุษ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 เราขอยอมตายเพื่อไม่ให้เสียศีลเพื่อรักษาพระธรรมวินัยนี้ไว้ไจากนั้นท่านพระเถระก็ได้หมดเรี่ยวแรงนอนตะแคงอยู่ใต้ต้นมะม่วงนั้นแหละ ก็ได้ลำดับนั้นมีอุบาสกผู้เท่าผู้หนึ่งเดินผ่านมาแลเห็นท่านพระเถระนอนหายใจแผ่วอยู่ดูบอบช้ำนักหนาพิจารณาถึงผลมะม่วงที่อยู่ใกล้กับท่านพระเถระมีอยู่มากมายหลายผลแต่ผลมะม่วงสุกนั้นก็หาถูกขบฉันไม่โอท่านพระเถระรูปนี้ดูบอบช้ำนักหนา แต่เพราะว่ารักใครในศึกขาบทสู้อดกรั้นทุกขเวทนาความหิวโหยไม่ได้ฉันอาหารที่ไม่มีผู้ใดประเคนและก็มีได้ฉันอาหารในยามวิกาลล้มลงนอนหายใจแผ่วอยู่เออพระผู้เป็นเจ้านี้รักษาศีลยย่งกว่าชีวิตเออเรามาพบท่านพระเถระที่มีศีลถึปานนี้นับว่าเป็นมงคลแก่เราโดยแท้เราจะอุสาหะทำบุญกับท่าน ลำดับนั้นอุบาสกผู้เท่าจึงได้เก็บผลมะม่วงมาขยำแล้วกรองน้ํามะม่วงนั้นทําเป็นน้ําปานะจึงได้ประคองท่านพระเถระมาดื่มน้ําปานะนั้นอุบาสกกล่าวว่าอปราคุณเจ้าพระคุณเจ้าอย่าเพิ่งเป็นอะไรไป น, นะครับฉันน้ำมะม่วงนี้ก่อนเอคงจะมีกําลังฟื้นคืนมาบ้างเออไม่ไกลกันดักจากที่นี่มีวัดอยู่แห่งหนึ่ง กระผมจะแบกท่านขึ้นหลังเดินแบกไปส่งที่วัดนะครับอุบาสกผู้เท่าแม้จะมีอายุล่วงเลยไปมากแล้วแต่ก็ยังอุสาหะรวบรวมกำลังของตนพยุงท่านพระเถระขึ้นสู่หลังน้ำหนักของท่านพระเถระประกอบด้วยอุบาสกที่มีอายุมากแล้ว ทำให้อุบาสกนั้นยืนขาสัน่นก้าวเดินอย่างช้าๆด้วยเหงื่อท่วมตัวแต่ความเลื่อมใสปรีดียินดีอย่างยิ่งเกิดขึ้นกับอุบาสกผู้เท่านั้นเป็นอันมากอุบาสกรำพึงอยู่ในใจว่าโอยมาเป็นบุญของเราโดยแท้เออหากแม้ว่าจะบีพระกุณเจ้าผูกเคร่งอยู่ในศึกขาบทถึงป่านี้ แล้วให้เราแบกอยู่บนหลังถึงหนึ่งร้อยท่านเราก็ยังยินดีที่จะแบกด้วยพละง ก, กำลังมีสองแขนที่เหนียรรังและสองขาที่ก้าวเดินอย่างไม่รู้อ่อนแรงเลย ศกผู้เท่าแบกท่านพระเถระด้วยน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเดินไปตามมรกาที่อยู่ของท่านพระเถระนั้นท่านพระเถระเองก็ได้หาประมาทไม่มระลึกอยู่ในใจให้โอว่าทแก่ตนว่าดูกราพิสุอุบาสกนี้ใช่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือหมู่ญาติของเราก็หาไห่ เขาเห็นว่าเราเป็นผู้มีศีลจึงได้กระทําถึงปานนี้เป็นคุณของการรักษาศีลที่เรากระทําไว้แล้วอุบาสกเป็นผู้ขวนขวายในบุญเป็นผู้มีพระคุณต่อชีวิตเราเราพึงตอบแทนอุบาสกผู้นี้ให้ได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยเถิด ท่านพระมหาเถระเมื่อให้โอวาสั่งสอนตนดังนี้แล้วจึงได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาเห็นพระไตลักษณ์ของรูปนามก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตัดกิเลสขาดณเบื้องหลังของอุบาสกผู้เท่านั้นแหล จึงเท่ากับว่าอุบาสกผู้เท่านี้กระทํากุศลแก่พระอรหันต์ท่านพระเถระท่านมีจิตสํานึกในศรัทธาของอุบาสกผู้เท่านี้ด้วยการกระทําตนให้เป็นปฏิคาหกผู้รับที่ดีเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของผู้กระทํากุศลนั้นใมีอนนเปป็ไหล ในหนังสือพระวินัยปิดกมหาวัคภาคที่สองมีเรื่องเกี่ยวกับวินัยเพิ่มเติมว่าผลไม้กลางทางก็โดยสมัยนั้นแลพิสุหลายรูปด้วยกันจำพรรษาในกาศีชนบทแล้วเดินทางไปสู่พระนครราชกฤชเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในระหว่างทาง ไม่ได้โภชนะาหารที่เศร้าหมองหรือปราณีบบริบูรณ์ซึ่งพอแก่ความต้องการเลยถึงของกบเคี้ยวคือผลไม้มีมากแต่ก็หากับปิยะการกไม่ได้ต่างพากันลำบากครั้นเดินทางไปพระนครราชคฤึถึงพระเวลุวันมหาวิหารแล้วจึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมนั่งเฝ้าอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็าการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลาย ทรงปราศัยกับพระอคันตุกะทั้งหลายนั้นเป็นพุทธประเพณีครั้งนั้นพระศาสดาตรัสฐานพิสุเหล่านั้นว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายร่างกายของพวกเธอยังพอทนได้หรือไม่ยังพอให้เป็นไปได้หรือเดินทางมาด้วยความลำบากมากน้อยหรือและพวกเธอมาจากไหนเล่ายังพอทนได้อยู่พระพุทธเจ้าค่า ยังพอให้เป็นไปได้พระพุทธเจ้าข่าพวกข้าพระพุทธเจ้าจำพรรษาในกาสีชนบทแล้วเดินทางมาในพระนครราชคฤึ่เพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณพระเวลวันนี้ในระหว่างทางไม่ได้โภชนาหารที่เศร้ามองหรือประณีบบริบูรณ์พอแก่ความต้องการเลยถึงของขบเคี้ยวคือผลไม้จะมีมากแต่ก็หากิยาการกไม่ได้เพราะเหตุนั้น พวกข้าพระพุทธเจ้าจึงเดินทางมาด้วยความลำบากลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงธรำธรรมรรมีคถาในเพราะเหตุแห่งเขาหมู่นั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นและรับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตพิสุ เห็นของขบเคี้ยวคือผลไม้ในที่ใดถึงกับปิยะการกไม่มีก็ให้หยิบนําไปเองเมื่อพบกับกับปิยะการกแล้ววางไว้บนพื้นให้กับปิยาการกประเคนแล้วจึงฉันดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้รับประเคณสิ่งของที่พิสุถูกต้องแล้วได้ ต่อไปนำเสนอเรื่องของพระมิตรเถระท่านพระมิตรเถระนั้นจัดได้ว่าเป็นพระเถระหนุ่มที่เคร่งในวินัยศิษาบทท่านหนึ่งท่านเจริญสมณธรรมในกุติที่สงัดเร้นชื่อว่า กสกาเลนะทินโคโจรบินทบาทก็เป็นหมู่บ้านที่ไม่ห่างไกลจากกุติท่านนักมีมหาอุบาสิกาท่านหนึ่งมีนามและโคดไม่ปรากฏมหาอุบาสิกาท่านนี้มีความเคารพรักใคร่และตั้งพระมิตรเถระดังพระบุตรชายของตนมีศรัทธาอุตสาหะทาอาหารบินทบาทตามกําลังสติปัญญาและอัตภาพของตน อยู่มาวันหนึ่งมหาอุบาสิกานั้นมีกิจธุระที่จะออกไปทำการงานนอกบ้านจึงได้สั่งกับทิดาบุตรสาวของตนว่าเออเ น, นลรลูกข้าวสารเก่าอยู่ตรงนั้นน้ำอ้อยอยู่ตรงนั้นเจ้าจงหุขงข้าวนั้นแล้วจะได้ถวายให้แก่พระคุณเจ้ามิตรเถระพี่ชายของเจ้าเออได้ใช้พร้อมกับนมสดนมหุงและน้ำอ้อยนั้นเถิด ที่เหลือจากพระคุณแจและแหววเจ้าจงบริโภคตามอัธยาศัยกส่วนแม่จะกินข้าวเย็นแรมคืนกับน้ำส้มพระอุ้มก็อิ่มพอได้แล้วแล้วเวลากังวันแม่จะกินอะไรเล่าโอ้กปลายข่าวที่มีอยู่ น, น่อยนึ่นั่นรูปจัดการต้มกับน้ำผักดองทําเป็นข้าวยาคูปเปรี้ยวให้แม่กินก็แล้วกัน <S <S ก็ด้วยว่าบ้านของมหาอุบาสิกากับวัดนั้นอยู่ไม่ไกลกันนักขณะที่มหาอุบาสิกาสั่งกับทิดาบุตรสาของตนเช่นนี้ก็เป็นเวลาเดียวกับท่านพระมิตาเทระบังเอิญว่าท่านได้ออกบินทบาทเร็วกว่าวันก่อ น, อนเมื่อท่านมาถึงบ้านแล้ว ท่านได้ยินเสียงของมหาอุบาสิกาสั่งลูกสาวของตนทุกท้อยคำท่านพระเถระได้สังเวชและให้โอวาสกล่าวสั่งสอนตนขึ้นว่าโถดูทีข้ามื้อเช้าของมหาอุบาสิกาคงจะกินข้าวเย็นแรมคืนกับน้ำส้มพะอูเวลากลางวันคงจะกินปลายข้าวที่ต้มระคนกับผักดองเป็นยาคูปเปรี้ยว แต่ว่าแต่ว่าตัวเรานี้ได้ฉันข้าวสารเก่าหุงขึ้นแล้วให้ฉันด้วยนมสดนมหุงและน้ําอ้อยดูที่มหาอุบาสิกาเลี้ยงดูเราอย่างดีนี้จะประสงค์อาศัยให้เราทําไร่ทํานาสิ่งได้สิ่งหนึ่งเป็นการตอบแทนก็หาไม่ได้แต่แท้จริงแล้วมหาอุบาสิกานั้นเป็นผู้มีศรัทธา และมั่นคงต่อพระศาสนาอย่างไม่หวั่นไหวไม่ประสองค์อยากให้พระคุณเจ้าต้องอดอยากพระคุณเจ้าจะได้มีเรี่ยวแรงประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความปรารถนาสมบัติทั้งสามคือมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติก็ตัวเรานี้จะยังความปรารถนาของมหาอุบาสิกานั้นได้หรือไม่เปล่าเลยเปล่าเลย อันตัวเรานี้ก็ยังเป็นพระบุตุชนประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอยู่เช่นนี้หาสมควรจะรับบินทบาทของมหาอุบาสิกานั้นไม่เราจะทําอย่างไรให้ได้ผลของทานที่มหาอุบาสิกาตั้งใจถวายอย่างเต็มใจนี้ให้ได้ผลอันไพ่บูญยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ <S <S ทิ่ดังนี้แล้วท่านพระเถระผู้มีความสำนึกในบินทบาทศัทธาญาติโยมจึงได้กลับไปที่กุฏิที่สงัดเร้นของท่านท่านออบาต ท, ที่ว่างเปล่าวางไว้ใต้เตียงเอาจีวรไม้ราวตากผ้าแล้วนั่งพับเพียบประนมมืออธิษฐานกำหนดวิรยะความเพียรว่าเราจะนั่งกระทําวิปัสสนากรรมฐานตั้งใจอุสาหาเจริญสมณธรรม หากเราไม่ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ตราบใดเราจะไม่ลุกขึ้นตราบนั้น พระเถระมีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวกําหนดพระไตรลักษณ์เห็นชัดในรูปนามขันห้าตามลําดับแห่งวิปัสนาญาณจนได้บรรลุปเป็นพระอระหันต์ผู้เผากิเลสหมดสิ้นแล้วซึ่งบรรจบกับเวลาที่ท่านพระเถระจะต้องออกบินธบดังเช่นวันก่อนๆพอดีท่านพระเถระมีใบหน้าที่ยิ้มแยม้มเปรียบดุจ ด, ดอกปุมชาติอันบานแล้ว เทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ใกล้กับประตูกุฏิของท่านก็ได้ปรากฏกายแล้วกระทำอัญชลีกราบมนัสการพระผู้เป็นเจ้าแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าปรดผู้เป็นอาชาในอันประเสริฐข้าพระเจ้าขอกราบมนัสการพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติชอบ จัดเป็นบุตรสี่คู่แปดบุคคลเป็นผู้ควรบูชาเป็นผู้ควรรับทักษีนาเป็นผู้ควรกราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลกหาสิ่งอื่นเปรียบไม่ได้บัดนี้ท่านพระเถระเป็นองค์อรหันต์ไม่ได้เวียน่หยตายเกิดในวัฏฏุก์แล้วมหาอุบาสิกาผู้ชราได้ถวายบิณฑบาตแก่องค์อรหรันต์เช่นพระกุณเจ้านี้ บุญกุศลนี้ยิ่งใหญ่นักหนาพระผู้เป็นเจ้าจงเปิดประตูออกแลดูเถิดบัดนี้ตะวันรุ่งเช้าแล้วถึงเวลาแล้วที่พระคุณเจ้าจะยังประโยชน์กุศลอันยิ่งใหญ่แก่มหาอุบาสิกาและธิดา ท่านพระเถระก็ถือบาทผมจีวรเข้าสู่บ้านเพื่อบิณฑบาทนั้นฝ่ายธิดาบุตรสาวของมหาอุบาสิกาก็ได้หุงหาจัดแจงสําหรับอาหารเสร็จแล้วนั่งคอยพระเถระพี่ชายที่มาสายกว่าวันก่นกอนๆนั้นเมื่อพระเถระมาถึงประตูเรือนนางธาริกาบุตรสาวนั้นก็ยังบาทนั้นให้เต็มรักคนด้วยนมสดปรุงด้วยน้ํามันเนยและน้ําอ้อย เมื่อพระเถระรับถวายแล้วก็กลับไปฝ่ายนางธาริกาเกิดความปราบปลืม้มเห็นท่านพระเถระมีผิวพรรณผ่องใส ย, ยิ่งนักมีดวงพักแช่มชื่นบริสุทธิ์ยิ่งนักมีการสำรวมดูงดงามครั้นเมื่อมหาอุบาสิกาผู้เป็นแม่กลับมาจึงได้ฐานทิดาบุตรสาว่าพระเถระพี่ชายของเจ้าวันนี้มารับบินเบาทหรือไม่เล่า มาจากแม่แต่ว่าพระคุณเจ้ามาสายกว่าวันก่อนดูผิวพันธุ์บริสุทธิ์ผ่องใส ย, ยิ่งนักมีอาการสำรวมยิ่งโอนะเป็นบุญประเสริฐแท้ท่านพระมหาเถรพีชายของเจ้ามีจิตจินดีในบรวรพระพุทธศาสนาหาความกระสันในพบนี้ไม่ได้แล้วถึงที่สุดแห่งพระมจรแล้วสาธุสาสงทัน ให้มีอันเป็นปลาหลา จะได้นำสาระเนื้อหาในประราชิกสี่ที่มีชื่อว่าอวดอุตลิมนุษธรรมเรื่องพิสุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธาโดยในสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขพระนครเวสาลีครั้งนั้นพิสุมากรูปด้วยกันซึ่งเคยเห็นร่วมคบกันมาได้จำพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุ ม, มุธาก็แลสมัยนั้นวัตชีชนบทอตตัตคัดอาหารประชาชนหาเลี้ยงที่ฝืดเคืองมีข้าวตายฝอยต้องมีสลากซื้ออาหาร พิสูจน์สงจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาศแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่ายพิสูจน์เหล่านั้นจึงคิดกันว่าบัดนี้วัตชีชนบทอัตคัดอาหารประชาชนหาเลี้ยงที่ฝืดเคืองมีข้าวตายฝอยต้องมีสลากซื้ออาหารพิสูจน์สงจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาศแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่ายพวกเราจะพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกัน ไม่วิวาดกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุขและจะต้องไม่ลำบากด้วยบินธบาทด้วยอุบายอย่างไรหนอพิสุ บ, บางพวกก็ได้พูดขึ้นมาว่าอาโศทั้งหลายภิะนั้นพวกเราจงช่วยกันอำนวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกครหัสเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็จะมุ่งถวายบินธบาตแก่พวกเราด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราจะเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุขเออแล้วก็จะไม่ลำบากด้วยการบินทบาดอย่าได้พูดอย่างนั้นเลยท่านทั้งหลายลจะเป็นประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันอำนวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกเครหอตัดเออพวกท่านพิฉะนั้นพวกเราจงช่วยกันนำข่าวสารอันเป็นหน้าที่ทางการทูตแก่พวกครือัเถิดเผื่อว่าบางทีพวกเขา จะได้มุ่งถวายบินทบาทแก่พวกเราด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราจะเป huh. um am ็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาดกันอยู่จำพรรษาอย่างผาสุกและจะไม่ลำบากในบินทบาทนั่นแลก็ในขณะเดียวกันพิสุบางพวกก็ได้พูดขึ้นมาว่าย่าเหลอท่านทั้งหลาย จะประโยชน์อะไรเล่าโดยการช่วยกันอํานวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกคฤหัดจะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันนําข่าวสารอันเป็นหน้าที่ทูตของพวกคารหัดเออท่านทั้งหลายพิฉะนั้นพวกเราจะกล่าวชมอุตริมนุสธรรมกันและกันแก่พวกคารหัดว่าพิสุรูปนั้นได้ปฐมฌานรูปโน้นได้ทุตยฌานรูปโน้นได้ตัตยฌานรูปโน้นได้จะตุตฌาน รูปโน้นเป็นพระโสดาบันรูปนั้นเป็นสกทาคามีรูปนั้นเป็นพระอน า, าคามีรูปนั้นเป็นพระอรหันทรูปโน้นได้วิชาสามรูปนั้นได้อภิญญาหกเออมัอเป็นเช่นนี้แล้วพวกเขาจะมุ่งถวายบินทบาตจะพวกเราเป็นแน่โดยอุบายอย่างนี้พวกเราก็จะเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จําพรรษาอย่างพาสุกและจำไม่ลําบากโดยบินทบาตนอ้อ ในที่สุดพิสุเหล่านั้นมีความเห็นร่วมกันที่จะกล่าวชมอุตตริมนุษยธรรมของกันและกันแก่พวกครหัสนี้แหละครั้นการต่อมาประชาชนเหล่านั้นก็พากันยินดีว่าเป็นลาบของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอที่มีพิสุ์ทั้งหลายผู้มีคุณพิเศษเห็นปานนี้อยู่จำพรรษาพระก่อนแต่นี้ พิสูทั้งหลายที่อยู่จำพรรษาของพวกเราจะมีคุณสมบัติเหมือนพิสูจ์ผู้มีศีลมีกะะัลยาณธรรมเหล่านี้ก็ไม่มีเลยโภชนะอาหารของเคี้ยวของลิมน้ำดื่มชนิดที่พวกทายกทั้งหลายจะถวายแก่พิสูจ์เหล่านั้นพวกเขาไม่เคยได้มีไว้เพื่อตนไม่ได้ให้มารดาบุตรธิดาภรยาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมมาศ ญาตสายโลหิตจึงทําให้พิสูจน์เหล่านั้นเป็นผู้มีน้ามีนวลมีอินทรีย์ผ่องใสมีสีหน้าสดชื่นมีผิวพรรณผุดผ่องก็การที่พิสูจน์เหล่านั้นออกพรรษาแล้วก็ได้มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นประเพณีครั้นพิสูจน์เหล่านั้นจาพรรษาโดยล่วงไตรมาสแล้วเก็บเสนาสนะถือบาดจีวรหลีกไปไปทางมักคาซึ่งไปสู่พระนครเวสาลี เที่ยวจาริกโดยลำดับเมื่อถึงพระนครเวสาลีป่ามหาวันกูตาค า, ารศาลาแล้วจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบางคม น, นั่งเฝ้าอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งนั่นแหลก็โดยสมัยนั้นพวกพิสุผู้จำภรษาอยู่ในทิศทั้งหลาย เป็นผู้ผอมสูบซีดมีผิวพันธ์หมองเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสับรร่างโดยเอ็นส่วนพิสุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธาเป็นผู้มีน้ำมีนวลมีอินทรีย์ผ่องใสมีสีหน้าสดชื่นมีผิวพันธุ์ผุดพองก็การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอาการตุกตาทั้งหลายเป็นพุทธประเพณีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสถามพิสุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุบุทาว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายร่างกายของพวกเธอยังพอทนได้หรือยังพอให้เป็นไปได้หรือพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวากันอยู่จำพรรษาอย่างผาสุกและไม่ลําบากด้วยบินทบาทดหรือข้าแต่พระพุทธเจ้าค่ะ ยังพอทนได้อยู่ยังพอให้เป็นไปได้พระพุทธเจ้าข่าอนหนึ่งพวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาดกันอยู่จำพรรษาหาสุขและไม่ลําบากด้วยบิณฑบาตพระพุทธเจ้าค่า รัตฐาคตทั้งหลายทรงทราบอยู่ย่อมตรัสถามก็มีทรงทราบอยู่ย่อมไม่ตรัสถามก็มีทรงทราบการแล้วตรัสถามทรงทราบการแล้วไม่ตรัสถามก็มีพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสถามสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ทรงกําจัดด้วยข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงสอบถามพิสุจ์ทั้งหลายด้วยอาการสองอย่างคือจะทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งจะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพิสูจ์พวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาว่าดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวากันอยู่จาพรรษาอย่างผาสุก และไม่ลำบากด้วยบินทบาตด้วยวิธีการอย่างไรพิสุจ์เหล่านั้นได้กราบทูลเนื้อความนั้นให้พระองค์ทราบทุกประการดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็คุณวิเศษของพวกเธอนั้น ม, มีจริงหรือไม่ไม่จริงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็ในลำดับนั้นพระศาสดาทรงตำหนิว่าดูก่อนโมคบุรุษทั้งหลาย<ไ>การกระทําของพวกเธอนั้น ไ, ไม่เหมาะไม่สมไม่ควร ไ, ไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําดูก่อน<ไ>โมคฆบุรุษทั้งหลาย<ไ>ฉนัยพวกเธอจึงได้กล่าวชมอุตริมนุสธรรมของการละกันแก่พวกเครหัดเพราะเหตุแห่งท้องเล่า ดูก่อนโมคะโปรทั้งหลายท้องอันพวกเธอควานแล้วด้วยมีดเชือดโคอันคมก็ยังดีกว่าอันพวกเธอกล่าวชมอุตริมรุสธรรมของกันและกันแก่พวกครหัตเพราะเหตุแห่งทองนี้ไม่ดีเลยข้อที่เราว่าดีนั้นเพราะเหตุใดบุคคลผู้ควานท้องด้วยมีดเชือดโคอันคมนั้นพึงถึงความตายหรือความทุกเพียงแค่ตาย ซึ่งมีการกระทํานั้นเป็นเหตุเพราะการกระทํานั้นเป็นปัจจัยเบื้องหน้าแต่แต่กายตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนบุคคลผู้กล่าวชมอุตตริมรุสธรรมของการละกันแก่พวกเครหัดนั้นเบื้องหน้าแต่แต่กายตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกซึ่งมีการกระทํานี้แลเป็นเหตุดูก่อนโมฆะบุตทั้งหลาย การกระทำของพวกเธอนั no ้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของพวกเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกผู้เลื่อมใสแล้วดังนี้แลพระองค์ทรงกระทำมีคาถา รับสั่งกับพิสูจน์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายมหาชนห้าจาพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกมหาชนห้าจาพวกนั้นเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายมหาโจรบางคนในโลกนี้ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่หนอเราจะเป็นผู้อันบรุษร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในคามนิคม และราชธานีเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญสมัยต่อมาเขาเป็นผู้อันปรุตร้อยหนึ่งหรือหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวไปในคามนิคมและราชธานีเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญ ฉันใดดูก่อนพิสุจทั้งหลายพิสุผู้แลวสามบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจะเป็นผู้อันพิสุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจะริกไปในคำนิคมและราชธานีอันครหัสและบรรพชิตสักการะเคารพนับถือบูชายมเกรง ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคิฬานปัจจัยเภสัชบริขารสมัยต่อมาเธอเป็นผู้อันพิสุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานีอันครหัดและบรระชิตสการะเคารพนับถือบูชายำเกรงแล้วได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคิฬานปัจจัย เภสัตบริการทั้งหลายดูก่อนพิสุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพูกที่หนึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก 2. ดูก่อนพิสุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิสุผู้เหลวซามบางรูปในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนธรรมวินัยอันถถาโคตประกาศแล้วย่อมยกตนขึ้นดูก่อนพิสุทั้งหลาย นี่เป็นมหาโจรจำพวกที่สองมีปรากฏอยู่ในโลกสามดูก่อนพิสุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิสุผู้แลวสามบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมตามกำจัดเพื่อนพรหมจรรีผู้หมดจดผู้ประพฤติพรหมจันทร์อันบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมอันเป็นค่าศึกแก่พรหมจันทร์อันหามูลมิได้ ดูก่อนพิสูตทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่สามมีปรากฏอยู่ในโลกสี่ดูก่อนพิสษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิสุผู้แลวสามบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมสงเคราะห์เกลียกล่อมเครหัดทั้งหลายด้วยครุภัณครูปบริขารของสง์คืออาราม พื้นที่อารามวิหารพื้นที่วิหารเตียงตังฟูกหมอนหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะมีดขวานผึ่งจอบสว่านเถาวันไม้ไผ่หญ้ามุงกระต่ายหญ้าปล้องหญ้าสามันดินเหนียวเครื่องไม้เครื่องดินดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลาย นี่เป็นมหาโจรจำพวกที่สีมีปรากฏอยู่ในโลก 5. าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้กล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีอยู่อันไม่เป็นความจรงิงนี้จัดเป็นยอดมหาโจรในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลก และในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะพิสุนั้นฉันก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นด้วยอาการแห่งขโมยพิสุประกาศตนอันมีอยู่โดยอาการอื่นด้วยอาการอย่างอื่นโภชนะนั้นอันพิสุนั้นฉันแล้ว ด้วยอาการแห่งคนขโมยดุดพรานนกลวงจับนกฉะนั้นพิสุผู้แลวซามเป็นอันมากมีผ้ากาสาวพันคอมีธรรมอันซามไม่สํารวมพิสุผู้แลวซามเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเพราะกรรมทั้งหลายที่แลวซามพิสุผู้ทุศีลผู้ไม่สํารวมแล้วปริโภคก้อนเหล็กแดงด่งเปลวไฟประเสริฐกว่าการฉันก้อนข้าวของชาวรักถัก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 ความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกําจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปราลบความเพียรโดยอเนบปรยายทรงกระทําธรรมิกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่พิสุทั้งหลายและรับสั่งการพิสุทั้งหลายว่า ดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจะบัญญัติสิกขาบทแก่พิสูจทั้งหลายอาศัยประโยชน์สิประการดังนี้คือเพื่อความรับว่าดีแห่งสองหนึ่งเพื่อความสําราญแห่งสองหนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหรือประพฤติไม่ดีหนึ่งเพื่ออยู่สําราญแห่งพิสูจผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกําจัดอาสวะ อันจะ บ, บังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตยธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยนั้นหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายก็แลพวกเธอ พึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าอนหนึ่งพิสุใดไม่รู้เฉพาะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถน้อมเข้ามาในตนว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้รั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามเป็นอันต้องอาบัตแล้ว มุ่งความหมดจดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแน่ท่านข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้นได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นอย่างนั้นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพร่อยๆเป็นเท็จเปล่าๆแม้พิสูจน์นี้ก็เป็นประราชิกหาสั่งวาดไม่ได้ สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วแก่พิสุทั้งหลายด้วยประการศนี้ต่อไปเป็นเรื่องของพิสุสําคัญว่าได้บรรลุก็โดยสมัยนั้นแลพิสุเป็นอันมากสําคัญมรรคผลอันตนยังไม่ได้เห็นว่าได้เห็นสําคัญมรรคผลอันตนยังไม่ได้ถึงว่าได้ถึงสําคัญมรรคผลอันตนไม่ได้บรรลุว่าได้บรรลุ สำคัญมรคผลของตนที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งว่าได้กระทำให้แจ้งแล้วจึงอวดอ้างมรคผลตามที่สำคัญว่าได้บรรลุครั้นต่อมาจิตของเธอน้อมไปเพื่อความกำหนัด ก, ก็มีน้อมไปเพื่อความขัดเคืองก็มีน้อมไปเพื่อความหลงก็มีจึงมีความรังเกียจว่าสิกขาบทอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วแต่พวกเธอสาคัญมรคผลที่ตนยังไม่ได้เห็นว่าได้เห็น สำคัญมรรคผลที่ตนไม่ได้ถึงว่าได้ถึงสำคัญมรรคผลที่ตนไม่ได้บรรลุว่าได้บรรลุสำคัญมรรคผลที่ตนไม่ได้กระทำให้แจ้งว่าได้ทำให้แจ้งจึงอวดอ้างมรรคผลตามที่สำคัญว่าได้บรรลุพวกเราต้องอาบัติประราชิกแล้วกระมังหนอดังนี้แล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่ท่านพระอานนท่านพระอานน์กราบทูลเรื่องนี้แด่พระศาษษสดาพระองค์ตรัสว่ามีอยู่เหมือนกันอานน ข้อที่พิสูจน์ทั้งหลายสําคัญมรรคผลที่ตนไม่ได้เห็นว่าได้เห็นสําคัญมรรคผลที่ตนไม่ได้ถึงว่าได้ถึงสําคัญมรรคผลที่ตนยังไม่ได้บรรลุว่าได้บรรลุสําคัญมรรคผลที่ตนไม่ได้กระทําให้แจ้งว่าได้กระทําให้แจ้งจึงอวดอ้างมรรคผลตามที่สําคัญว่าได้บรรลุแต่ข้อนั้นแลกล่าวว่าไม่เป็นอาบัติก็ในลําดับนั้นพระศาสดาทรงกระทําธรรมิกถา ในเพราะเหตุเป็นข้อมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วจึงรับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายก็แล้วพวกเธอพึงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่ า, าหนึ่งพิสุใดไม่รู้เฉพาะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถน้อมเข้ามาในตนว่า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 แม้พิสุจนี้ก็เป็นปรารชิกหาสังวาดไม่ได้ในพัทจักรสัพพมูลกะในพิสุรู้อยู่ว่าประสงค์จะกล่าวว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานสุญญตมิโมกอนิมิตามิโมกอัปนิหิตตามิโมกสุญตสมาบัติอณิมิตสมาบัติอัปนิหิตตสมาบัติวิชาสามสติปัะธานสสมัปประธานสี่อิทิบาสสอินรียห้าพละหโพชฌงเจ็อริยมัตมีองค์8 โสดาปฏิผลสกัทาคามิผลอนาคามิผลและอรัตผลราคะของข้าพเจ้าสละแล้วขายแล้วปล่อยแล้วละแล้วสลัดแล้วเพิกแล้วถอนแล้วโทสะของข้าพเจ้าสละแล้วขายแล้วปล่อยแล้วละแล้วสลัดแล้วเพิกแล้วถอนแล้วโมหะของข้าพเจ้าสละแล้ว ขายแล้วปล่อยแล้วละแล้วสละแล้วเพิกแล้วถอนแล้วจิตของข้าพเจ้าเปิดจากราคะจิตของข้าพเจ้าเปิดจากโทสะและจิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะด้วยอาการสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างหอย่างเจดอย่างคือ 1. เบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเท็ส 2. งกำลังจะกล่าวก็รู้ว่ากล่าวเทศ สามั้นกล่าวแล้วก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว 4. อัมพรางความเห็น 5. อัมพรางความถูกใจ 6. อัมพรางความชอบใจ 7. อัมพรางความจริงเมื่อคนอื่นเข้าใจต้องอาบัติประราชิกเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอาบัติธุละใจ อนาปติวาระพิสุสำคัญว่าได้บรรลุหนึ่งพิสุไม่ประสงค์จะกล่าวอวดหนึ่งพิสุวิกกลจริตหนึ่งพิสุมีจิตฟุ้งซ่านหนึ่งพิสุกระสับกระสายพระเวทนาหนึง่งพิสุอธิกรมิกะคือพิสุผู้กระทำผิดคนแรกหนึ่งไม่ต้องอาบัต ในพระวินัยปิดกมหาวิพังปฐมภาคหน้าที่ห7 6เรื่องอยู่ป่าก็โดยสมัยนั้นและพิสุรูปหนึ่งอยู่ป่าด้วยความตั้งใจว่าคนจะยกย่องเราโดวยวิธีนี้คนยกย่องพิสุนั้นแล้วเธอมีความรังเกียจว่าพระศาสดาท ร, ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระองค์ตรัสว่า ดูก่อนพิสูเธอไม่ต้องอาบัติประราชิกพิสูจทั้งหลายอันพิสูจไม่พึงอยู่ป่าด้วยความตั้งใจเช่นนั้นพิสูจใดยอยู่ด้วยความตั้งใจเช่นนั้นต้องอาบัติทุกกฏเรื่องเที่ยวบินทบาตก็โดยสมัยนั้นพิสูกรูปหนึ่งเที่ยวบินทบาตด้วยความตั้งใจว่าคนจะยกย่องเราด้วยวิธีนี้คนยกย่องพิสูจนั้นแล้วเธอมีความรังเกียจ ว, ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัติประราชิกแล้วกระมังหนอจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระาศาสดาพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอาบัติประราชิกพิสุทั้งหลายอันพิสุไม่พึงเที่ยวบินธบด้วยความตั้งใจเช่นนั้นพิสุใดเที่ยวบินทบาทด้วยความตั้งใจเช่นนั้นต้องอาบัติทุกกฎ เรื่องอริยบทสี่ก็โดยสมัยนั้นและพิสุรูปหนึ่งเดินจงกรมด้วยความตั้งใจว่าคนจกยกย่องเราด้วยวิธีนี้คนยกย่องพิสุนั้นแล้วเธอมีความรังเกียจจึงได้คราบทูลเรื่องนั้นแ ด, พด่พระาศาสดาพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอาบัติปราชิกพิสุทั้งหลายอันพิสุไม่พึงเดินจงกรมด้วยความตั้งใจเช่นนั้น พิสุใด้เดินจงกรมด้วยความตั้งใจเช่นนั้นต้องอาบัตทุกกฎก็โดยสมัยนั้นและพิสุรูปหนึ่งยืนด้วยความตั้งใจว่าคนจะยกย่องเราด้วยวิธีนี้คนยกย่องพิสุนั้นแล้วเธอมีความรังเกียจจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นแ ด, พด่พระาศาสดาพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอาบัตปาราชิกพิสุทั้งหลายอันพิสุไม่พึงยืนด้วยความตั้งใจเช่นนั้น พิสุใดยืนด้วยความตั้งใจเช่นนั้นต้องอาบัตทุกกฎก็โดยสมัยนั้นและพิสุรูปหนึ่งนั่งด้วยความตั้งใจว่าคนจะยกย่องด้วยวิธีการนั่งแบบนี้คนยกย่องพิสุนั้นแล้วเธอมีความรังเกียจจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนพิสุ เธอไม่ต้องอาบัติประราชิกพิสุทั้งหลายอันพิสุไม่พึงนั่งด้วยความตั้งใจเช่นนั้นพิสุใดนั่งด้วยความตั้งใจเช่นนั้นต้องอาบัติทุกกฎ<ม>ก็โดยสมัยนั้นแลพิสุรูปหนึ่งนอนด้วยความตั้งใจว่าคนจะยกย่องเราด้วยวิธีการนอนแบบนี้คนยกย่องพิสุนั้นแล้วเธอมีความรังเกียจ จึงได้กราบทูลเรื่องนั้นแ ด, พด่พระาศาสดาพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอาบัติประราชิกพิสุทั้งหลายอันพิสุไม่พึงนอนด้วยความตั้งใจเช่นนั้นพิสุใดนอนด้วยความตั้งใจเช่นนั้นต้องอาบัติทุกกฎ เนื้อหาสาระทั้งหมดจากเทปชุดนี้ได้ค้นคว้ามาจากอังคุตรนิกายเอกนิบาททุกนิบาทพระไตรปิฎกฉบับมหามกุุราชวิทยาลัยเล่มที่33และพระวินัยปิฎกมหาวิพังปฐมภภาคพระไตรปิฎกฉบับมหามกุุราชวิทยาลัยเล่มที่สอง ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการอาจารย์อิสรยานุตตาสาระและอาจารย์คุณารักษ์นพคุณเทศชุดนี้จัดทำเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขาบูชาวันที่สองมิถุนายน2547 กุศลที่เกิดขึ้นนี้จงสำเร็จแก่บิดาของข้าพเจ้าผู้ล่วงลับไปแล้วคือนายอิมแท่ตั้งตลอดจนหมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายครูอุปชาอาจารย์เทพพยาดาและผู้ผูกเวรทั้งหลายด้วยเถิดโปรดติดตามผลงานสื่อธรรมะได้ใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับ ผู้ใดประสงค์ต้องการติดต่อโปรดติดต่อมาได้ที่สนทิชัยทวีโชคทรัพย์สินรายการแสงธรรมเพื่อชีวิตตู้ปอน5ห7พระขนงกรุงเทพ1 0 1 1 10. งโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข0 2 7 4 2สอง0 02-742 สอง ส120สวัสดีครับ